นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมธรรว่าพระไพบ Hi ูลอภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์พร้อมกับมรัตพงศ์ครับกล่าวด้วยสุขการและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพทย์นัทพงศ์ขนุวิรุธครับทุกสัปดาห์ไม่เคยขาดเลยเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนี่เป็นเอพิโซดที่3ามสประจําวันพฤหัสที่ยีสิสิงหาคม ครับ <No. S 2> ก็<อ>ต่อนเนื่องกันนะครับ<ช>วันนี้มีมีประเด็นที่ทิ้งท้ายจากสปัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าต้องการที่จะพูดถึงเรื่องของอาาานาปนสติสูต ร, รครับท่านใช่ก<ม>่อนที่จะไปเข้าถึงเรื่องอนาปนสติสูตรก็เลยต้องการจะพูดชี้แจงประเด็นนิดนึงก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาธรรมะรที่หลายๆท่านอาจจะมีความคิดว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยมันจะต้อง สามารถเชื่อมโยงพระสูตรศึกษาไปแล้วเราจะเอาเรื่องปฏิจจสมุบาทมาเกี่ยวขัดหน้าแล้วพาไปมรรคแดอะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมันจะทําได้ยังไงต้องใช้เวลากี่ปีต้องรู้กี่พระสูตรต้องศึกษาอะไรบ้างต้องใช้เวลาเท่าไหร่หลายคนจะมีความคิดว่าอย่างนั้นแต่ต้องการจะเชื่อมโยงพระสูตรให้ได้ถูกไหมก็ต้องถามว่าคุณจะเชื่อมโยงไปเพื่ออะไระบางคนบอกว่าฉันต้องการรู้แหมนี่พระสูตรนี้ต่อกันอันนั้นได้รู้ละดียังไงใครใครบอกได้บ้าง หรือว่าภระพุาให้เรารู้ไหม <Okay. S 1> อันนี้ก็ต้องถามตัวเองนะว่ า, ามีมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งก็ถามมาในการทางวิทยุเขาก็ถามว่าเอ๊ะเนี่ยจะทํายังไงถึงจะสามารถรู้ได้ผมก็อายุมากแล้วอะไรต่างๆอย่างนี้นะธรรมาก็ต้องบอกเ้าตรงๆบอกว่ า, าการที่เราจะเชื่อมโยงพระสูตรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่คุณจะบรรลุหรือไม่บรรลุ <Okay. S 1> การที่เราจะบรรลุหรือไม่บรรลุเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณปล่อยวางได้มากหรือได้น้อย นะแล้ว<ช>เหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความยึดคือความยึดถือเพราะฉะนั้นการรู้พระสูตรมากหรือเชื่อมโยงพระสูตรได้ไม่ได้ทําให้คุณบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าการรู้เร็วหรือช้าอยู่ที่อยู่ทีาทการหรืออินทรีย์หน้าใช่ไหมครับถูกต้องอยู่ที่กําลังสมาธิอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ปัญญาพวกนี้แล้วถามว่าเชื่อมโยงพระสูตรมากนี่เป็นปัญญาหรือเปล่าไม่ใชเ่เป็นปริยัญา การเชื่อมโยงพระสูตรได้เนี่ยเป็นการที่เปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้ยังถูกปิดอยู่แต่ทาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ตระกาศใหแจ้งซึ่งตรงนี้เป็นอะไรเป็นเป็นธรรมะที่ทําให้เกิดปัญญาในเบื้องต้นที่จะต้องมีในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าทําให้ปัญญาที่ต้องมีในเบื้องต้นในการประพฤติพรหมจรรย์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เจริญยิ่งขึ้นใช่มันก็เป็นไปทางทางที่ทําให้เกิดปัญญาได้เหมือนกั น, นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งในแปดประการเท่านเท่านั้นเอง สมมติว่าการที่เราจะมาคุยกันสาขาธรรมะอย่างเงี้ยการสาขาธรรมะจะทําให้เปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยขึ้นมาได้นะก็ะทําให้เชื่อมโยงพระสูตรได้แต่อย่งางไรก็ตามอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุแปดอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีเหตุอีกหลายอย่างเช่นความศัทธาเป็นต้นแล้วก็อืน่นๆอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมโยงพระสูตรไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะถ้าถ้าคุณรู้ธรรมแม้เพียงสี่บทปฏิัติธรรมสมควรแก่ทํานั่นก็ชื่อว่าเป็นพระผู้สูตรผู้ทรงธรรมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรา ปฏิบัติทำรรู้แค่อริยสัจสี่นะเราก็พอละพอใจละนะอย่าไปเครียดมากอย่าสงสัยมากอย่าให้มีนิวรณ์ครับอ่าเราก็ปล่อยวางปฏิบัติไปเรื่อยๆนะความรู้ความเร็มก็จะค่อยๆมากขึ้นเราเชื่อมโยงก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆทําไปได้อย่างนี้นะคือให้เน้นการปฏิบัติให้ให้ให้มากใช่ไหมครับอืมใช่ใช่เน้นปฏิบัติไปด้วยศึกษาไปด้วยก็ให้ปล่อยวางไปให้มากๆ ซึ่งการปฏิบัติเนี่ยเราจะแยกกันกันกบการศึกษาไม่ได้เลยต้องไปเขียนคู่กันใช่แล้วก็อ่านหนังสือด้วยศึกษาไปด้วยปฏิบัติทางจิตไปด้วยมันก็เป็นไปพร้อมๆกันได้ขณะที่ตาคุณดูดูตัวหนังสืออยู่จิตคุณก็น้อมไปตามประพฤติไปตามได้นะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างนี้ครูบาจารย์บางท่านอกว่าแค่ให้ให้ฝึกตัวรู้ตัวรู้คือ ฝ, ฝึกสติอย่างเงี้ยฝึกบ่อยๆท่านี้เอง เอาแค่นี้ก่อนง่ายเล ย, ย, ยใช่ใช่พ mm ุทธเจ้าก็พูดเหมือนกันคร <Yeah. S 1> ับคุณบาอาจารย์เหล่านั้นท่านก็ว่าตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่ว่าให้มีสติในสติเนี่ยเป็นธรรมอันเอกที่ <Yeah. S 1> เมื่อ <Yeah. S 1> มีแล้วเนี่ยโอ้ยหลายอย่างก็ตามมาแหละทั้งวิปสมถ า, าวรวิปัสนามาพร้อมกันหมดมักมีองค์แปดโพชงเจ็ดแรงต่างมาพรึบเลยครับที <Yeah. S 1> นี้เราก็จึงต้องมาพูดถึง เ, เรื่องของสติที่เราจะทํางไงให้เกิดสติพระพุทธเจ้ hmm. าก็ พูดถึงเรื่องสติปัญญานทั้ง4คุณจะเอากายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้หรือธรรมะก็ได้ที่ทําให้จริงของเราเนี่ยมีสติทีนี้พอพูดไปอย่างนี้แล้ว ก, ก็จึงต้องมาเข้าถึงเรื่องของอนาปนา ส, ต, สติมัจะทำให้มีสติเกิดขึ้นคุณใช้ลมหายใจสิพระเจ้า<อ>ก็ออบอกว่าใช้ลมห า, ายใจเนี่ยทำให้เกิดสติได้นะละมหายใจเนี่ยสามารถทําให้มี4อย่างเกิดขึ้นได้คือกายเวทนาจิตธรรมพอมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมทําให้เกิดเป็น มีสติปัญญาได้ทําให้จิตของเรามีสติได้ถ้าจะอธิบายเรื่องของอนาปานสติให้เขา like ้าใจง่ายๆที่สุดในโลกเลยนะให้เรานึกถึงมีตะขออยู่อ gotcha ันหนึ่งตะขออันเนี้ย wow ก็เป็นไว้สําหรับเกี่ยวของนะถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณอรุตพงศ์นึกถึงตะขออันหนึ่งนะตะคอนี่มีความแข็งแรงมากเอาอันหนึ่งเอาของเข้าไปแขวนเอาไว้ในตะขอนี้ถามว่าแขวนเอาไว้ทั้งหมด16อันเลยแขวนตะขอไว้ทั้งหมดมีตะขออยู่หนึอัน แต่<ช>แตคว้นสิ่งของที่เอาไว้อยู่ตรงนั้นเนี่ยทั้งหมด16อย่างนะมี16อย่างที่แคว้นไว้ที่ตะขอนั้นก็เหมือนกับอนาปานสตินะตะขอ น, นี่คือตัวลมหายใจใ<ช>สิ่งแรกที่แขวนเข้าไปคือลมสั้นลมยาวสิ่งที่สองที่แขวนเข้าไปะสิ่งที่1กับสิ่งที่2องที่แคว้นเข้าไปคือลมสั้นลมยาวสิ่งที่สามที่แคว้นเข้าไปนั้นก็คือการที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งก่ทั้งปวง สิ่งที่4ที่แขวนเข้าไปนันก็คือการที่การทำปรุงแต่งทางกายให้ระงับนะสิ่งที่5ที่แขวนเข้าไปนะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีตินะอย่างที่6ที่แขวนเข้าไปสุขนะสอเสือสรุขอไข่อย่างที่7ที่แขวนเข้าไปอีกนะก็เป็นจิตการปรุงแต่งทางจิตแขวนเข้าไปอีกอันนึงคือการทำการปรุงแต่งทางจิตให้ระับเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กับ หายใจเข้าหายใจออกอ่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามลําดับที่ว่าคุณต้องเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองถึงขั้นสิบหกนะไม่จําเป็นใช่ไหมข้ามได้เอาก็เพราะว่าเราดูอะไรล่ะเราดูบทเพลชนะที่พระเจ้าอ่านให้ฟังนะหายใจเข้าหายใจออกทุกอย่างเนี่ยจะลงท้ายด้วยหายใจเข้าหายใจออกหมดเลยใช่ครับถ้าเราดูที่พระสูต์ไหนท่านมอทัทองลองอ่านพระสูตรเต็มๆให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าพระเจ้าว่าไว้อย่างไรพระสูตรที่หน้าห ก็เดี๋ยวอาจารย์มาจอ่านให้ฟังก็ได้นะก็คือว่าเมื่อเข้าสู่ป่าสุคนไม้หรือสู่เรือนว่างฟังให้ดีสู่ป่าคนไม้หรือเรือนว่างก็ได้ห้องพระว่างไหมว่างในบนในห้องนอนเราว่างไหมว่างที่ออฟฟิศถ้าว่างอยู่ว่างได้ไหมว่างเหมือนกันคนไม้ได้ไหมได้ป่าได้ไหมได้นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบเนี่ยจะคู่ข้างในคู่ข้างนอกยังไงก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่าให้มันพอทรงตัวอยู่ได้ S <S นะมันพอทรงตัวได้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมไม่ล้มบางงั้นเถ อ, อะตั้งกายตรงข้อตรงหลังตรงจะทําให้มีผลดีต่อการนั่งสมาธิในระยะ ย, ยาวคอตรงหลังตรงนั่นไม่เลี่ยงสะดวกอ่าแล้วก็จะไม่ปวดหลังง่ายแต่บางคนอาจจะรู้สึกเมื่อยถ้านั่งหลังตรงเนี่ยก็ผ่อนคลายได้สักหน่อยหนึ่งนะพอรู้สึกความสบายขึ้นมารู้สึกหายเมื่อยไปก็ยืดขึ้นมาให้มันตรงได้เหมือนเดิม ดำรงสติเฉพาะหน้าหน้านี่มันหน้าตรงไหนนะหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติดำรงสติเฉพาะหน้าเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าออลมหายใจเนี่ยปรจชาบอกว่าหายใจเข้าก็มีสติใช่ไหมหายใจออกก็มีสติใช่ไหม ай? มี<ะ>สติอยู่ตรงไหนก็ต้องดูสิว่าเฉพาะหน้าเนี่ยมันหน้าอะไรก็ต้องหน้าที่ลมหายใจใช่ไหมอ่าใช่ พระเช้าใช้คำภาษาบาลีตรงนี้ว่าปาริมุขขังคือมุขเนี่ยแปลว่าเฉพาะหน้ามุขในที่นี้ก็คือทางเข้าทางออกอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเขาอาจจะทําหลังคาอมาเป็นมุขใช่ไหมเป็นมุขตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของเป็นชี้บอกทางเข้าทางออกซึ่งในกรณีนี้ก็คือทางเข้าทางออกของลมหายใจอ่าเพราะฉะนั้นเฉพาะหน้าตรงนี้ก็คือเฉพาะหน้าที่ผ่านเข้าลมออกหายใจไว้เงี้ยเถอะ ตรงรูจมูกใช่ไหมครับดูในโพรงจมูกรู้จมูกตรงไหนที่ลมมันกระทบแล้วเรารู้สึกได้รับรู้ได้นะเอามันตรงนั้นครับเอามันตรงนั้นนะบางคนบอกว่าข้างในในหน่อยหนึ่งเอาตรงนั้นแหละบางคนบอกข้างนอกนอกหน่อยเอาตรงนั้นแหละบางคนบอกข้างในลึกๆนู่นเลยถึงจะรู้สึกเอาตรงนั้นแหละรู้สึกรับรู้ไม่ใช่รู้สึกนะรับรู้ได้ที่ตรงไหนเอาจิตของเราจดจ่อไว้ที่ตรงนั้นครับรับรู้กับรู้สึกไม่เหมือนกัน ใช่ไหมเรารู้สึกเนี่ยคือเวทนาเรา ย, ยังไม่ต้องรู้สึกแดงซิเราแค่รับรู้การมีอยู่ของลมหายใจรตรงไหนเฉพาะหน้าหน้ามันตรงไหนก็ทางเข้าออกลมหายใจตรงไหนเอาตรงไหนได้เอาตรงนั้นถ้าไม่รู้ทํายังไงลองหายใจแรงแรสักหน่อยนึงซึ้งะนะเราก็จะรู้ได้ให้พระพุทธเจ้า บ, บอกว่าให้รู้ชัดนะหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติไอสติสตินี่มันคืออะไร ก็หายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าคำว่ารู้ชัดเนี่ยบางคนถ้าไปอ่านว่าศึกษาพระไตรปิดกเนี่ยราะพบว่าคำว่ารู้ชัดเนี่ยพระเจ้าก็พูดอยู่ทั่วไปถ้ามีรู้ชัดที่ตรงไหนให้รู้ไว้เลยว่าตรงนั้นคือสตินะรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกรู้ตรงนี้หมายถึงวิญญาณคือการรับรู้ประชานตินะก็คือการรับรู้ไม่ใช่เวทนานะ เพราะฉะนั้นการรับรู้ถึงลมหายใจคุณรับรู้ได้ที่ตรงไหนล่ะก็เอาจิตเราไว้ที่ตรงนั้นเท่านั้นแหละครับหายใจเข้าหายใจออกมาตั้งแต่เกิดแล้วบอกว่าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองหายใจเข้าหายใจออกมันไม่ได้เลือกใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้สิว่าคุณหายใจเข้าหายใจออกอย่างน้อยเวลาไปออกกําลังกายวิ่งเหนื่อยๆมาอย่างเงี้ยหรือเจอเรื่องตกใจทําให้เหนื่อยหายใจหอบแหกๆเราก็รู้วหายใจได้ใช่มไหมก็เ อ, เอาตรงนั้นแหละนะเอาตรงที่มีสติเฉพาะหน้า สติเนี่ยคือจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไหลเข้าไหลออกนะราแล้วก็เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้นะว่าหายา <ME> ใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าออกยาวคือทั้งสั้น ท, ทั้งยาวทั้งเข้าทั้งออกนะก็พูดทำไมต้องมีสั้นมียาวมีเข้ามีออกเอาง่ายๆว่าต้องมีสั้นมียาวก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลมหยายใจประเภทไหนเนี่ยเราก็ต้องมีสติอยู่ได้ <N ous ha> จะเข้ารูเดียวออกรูเดียวเข้า2รูออก2รูหรือว่าเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวได้ทั้งหมดแต่ว่าไม่ต้องปรุงแต่งลมหายใจปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งทาไมเราอาตมาถึงบอกว่าไม่ต้องปรุงแต่งต่อต่อไปพรุทธเจ้าบอกว่าให้ทําการปรุงแต่งทางการให้ระ ง, งับ <h> <services> แต่ว่าถ้าเราจะปรุงแต่งตอนแรกให้มันสั้นมันยาวเพื Polish, ่อที่จะให้เรารู้ว <N ous h iffs> ่าเรามีสติตรงไหนเราก็สามารถทําทไดนะ้อย่างไรก็ตามการที่สั้นยาวเนี่ยไม่ใช่ให้ตามลมด้วย ทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องตามลมเอาพุทธวจนะตรงไหนมาอ้างก็นี่ไงบอกดํารงสติเฉพาะหน้าก็ใช่ไหมตรงมุกตรงมุกคือทางเข้าออกนี่ยไม่ใช่ตามลมออกไปจนถึงคนอื่นไม่ใช่เอาตามลมเข้ามาจนถึงกระบังลมรับให้ดํารงสติตรงนี้ตรงเฉพาะหน้านี่อ่าเท่านั้นเองทําไมถึงว่าอย่า ง, งานั้นเพราะว่าพราะพุเจ้ายกอุปมาอุโมยด้วยยกอุปมาอุไมยกับนายช่างกลึงหรือ ลูกมือของเขาผู้ชํานาญงานเวลาชักเชือกกลึงยาวก็ต้องรู้ว่าชักเชือกกลึงยาวชักเชือกกลึงสั้นก็ต้องรู้ว่าชักเชือกกลึงสั้นใครเคยไปโรงกลึงอะนะสมัยใหม่<ๆ>หรือว่าสมัยก่อนก็ได้นะมันเทคโนโลยีอาจจะเ ป, เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าลักษณะการทำงานของช่างกลึงเนี่ยก็จะเหมือนกัน ช, ช่างกลึงไม่ว่าจะเป็นสมัยนี้หรือสมัยก่อนเนี่ยสมยัยสมัยก่อนก็จะมีการชักเชือกกลึงสั้นยาวเพื่อให้ใจังหวะการหมุนของอุปกรณ์เนี่ยมันหมุนหมุนไปได้นานไม่ได้ไกลใช่ไหม ก็เรียกว่าหมุนไปได้รอบ revolution น่ะการหมุนเนี่ยมันได้รอบรอบที่มากขึ้นแต่ถ้าสมัยนี้ก็จะมีปุ่มปรับความเร็วนะปุ่มปรับความเร็วของเครื่องกลึงนะที่เป็น mechanical เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเวลาช่างกลึงเขากดปุ่มเพื่อที่จะปรับความเร็วให้เพิ่มขึ้นหรือปรับความเร็วมันลดลงเนี่ยหรือว่าชักเชิอกกลึงสั้นเช็คชือกกลึงยาวเนี่ยถามว่าตาเขาอยู่ที่ไหนที่ปลายใบมีดนะอยู่ที่จุดที่สัมผัสระหว่างปลายมีดใบมีดกับตัวชิ้นงาน ใช่ไหมจุดจิตของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าตาของเขาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่ตรงปุ่มปรับอุปกรณ์หรือว่าการชักเชือกกลึงยาวชักเชือกกลึงสั้นแต่จุดที่จุดที่มันจอกันเนี่ยระหว่างชิ้นงานกันบใบมีดอยู่ที่ตรง น, นั้นเช่นเดียวกันเราไม่ได้ตามลมเข้าไม่ได้ตามลมออกเราไม่ได้เข้าไปถึงกระบังลมไม่ได้ออกไปถึงข้างนอกแต่เราอยู่จุดที่มันสัมผัสกันจอกันอยู่พอดีนั่นคือจุดที่ร่างกายของเราสัมผัสกับลมหายใจที่กำลังเข้าออกอยู่มันก็ต้องเป็นตรงมุก นะต้องมุกนั่นเองก็ใช่ไหม okay, แล้วก็ทําการศึกษาฝึกหัดนี้บักที่3นะย้อนหน้าที่3ามพรชาพูดถึงว่าทําการศึกษาฝึกฝนศึกษาฝึกฝนนะศึกษาฝึกฝนนัหมายความว่าคุณศึกษาด้วยการปฏิบัติกนะ็ใช่ไหมศึกษาด้วยการปฏิบัติตรงนี้โดยหลักที่ว่าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้มเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก เราจะเห็นว่ามีคาว่าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอยู่ทุกวักเลยทั้ง16วักเนี่ยมีหมดเพื่นที่อาจจะมาเป ร, เรียบเทียบว่าเหมือนกับขอเกี่ยวอันหนึ่งนะให้ขอเกี่ยวอันนี้คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิ่งที่ไปเกี่ยวกับเขามีทั้งหมด16อย่างอย่างแรกคือหายใจสัน้นอย่างที่2คือหายใจยาวอย่างที่3าคือกายระงรับอย่างที่4คือรู้พรามฉวัตซึ่งกายอย่างนี้เราจะไม่สับสนเลยเราจะพบว่าโอ้จากลมหายใจเนี่ยคุณจะเด้งไปตรงจุดที่เรียกว่าเห็นความ ดับไม่เหลือก็ได้เดี๋ยวแมาที่ลมหายใจแล้วเด้งไปอยู่ที่การทําการปรุงแต่งทางกายอะไรคบเดี๋ยวเดี๋ยวเด้งไปมาอยู่ที่ทําจิตให้เป็นสมาธิเดี๋ยวเด๋ยเด้งไปทําจิตให้ถึงพร้อมในการปล่อยวางได้ทั้งหมดเลยโดยที่อาศัยลมหายใจเข้าลมไม่ใชออกเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยจึงเป็นสมถะและมีปรัชนาไปตัวเดียวเดียวกันแล้วการปฏิบัติเนี่ยไม่จาเป็นว่าต้องไล่เป็นขั้น เอาอันดับแรกให้คุณมีลมหายใจให้คุณมีสติอยู่ในลมหายใจแล้วการเปลี่ยนแปลงไปตรงเนี้ยมันก็จะไปค่อยเป็นไปตามลําดับตามลําดับของสติที่คุณมีมากหรือมีน้อยบางท<ช>่านเถอะอ่าง่ายที่สุดในโลกแล้วหมอรับรงเลยครับอยู่กับตัวด้วยนะครับไม่ต้องซื้ อ, อไม่ต้องหาแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่ลมหายใจนะเราไม่ได้ต้องการขอเกี่ยวเราต้องการการรับรู้ใช่ไหมครับเราต้องการสติสติรับรู้สุดท้ายเราก็ไม่ได้ต้องการสติด้วยเราต้องการจิต สุดท้านเราก็ไม่ต้องการจิตด้วยแล้วเราต้องการวิมุตต์เราต้องการจิตตัวที่เป็นผู้รู้อันแรกของมันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไล่ไล่ไปเนี่ยพระุทธเจ้าบอกว่าอินทรีย์เป็นที่เล่นไปสู่จิตใช่ไหมเราอาศัยลมหายใจถ้าไม่เรารู้ว่าจิตเราอยู่ที่ไหนก็อะไรที่เข้าไปรู้ลมหายใจก็นั่นแหละจิตกุลเพราะจิตเราเจอจิตแล้วเนี่ยเราให้มีสตินะจิตเป็นที่เล่นไปสู่สติอันนี้จะได้ เราให้เรามีสติสติเนี่ยจะเป็นที่เลนไปสู่วิมุตติถ้าเรารู้มีสติอยู่ในจิตเนี่ยเราจะพบว่าจิตของเราไม่ใช่ตัวเราของเราเราวางประจิตนี้ไปได้เราก็จะเข้าเป็นพระอารหันต์ได้อืมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอนาปนานสติเนี่ยถ้าเราอ่านทั้งหมด1ิบหขั้นตอนเนี่ยโอ้หายใจเข้ายาวหายใจออกยารู้ความเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทํากายให้รังงาปีติสุขจิตตังขานจิตตั้งขานรังนับปรามโมทอะไรต่างๆ1าบขั้นตอนเนี่ยงายตึงเลยเอ๊ <Yeah. S 1> แล้วกูจะทําขั้นตอนไหนก่อนนะ อย่างนี้นะก็ไม่ต้องกังวลเอาแค่มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกใช่ไหมพอมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ที่เจอแล้วซึ่งอานาปานัสติแล้วก็ยังทําให้ยหลายอย่างทําให้เป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้หมดนะบางคนอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างขั้น4ี่อย่างเนี้ยสมาธิขั้น4ี่ที่เรียกว่าฌานสี่อย่างเนี้ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ย มันเป็นเสี้ยนา้ำต่อสมาธิขั้นนี้ใช่ไหมเราถามว่าไอ้นี่จะมีลมหายใจไหมแต่บางคนก็จะมีความสงสัยว่าไอ้ลมหายใจฉันมันหายไปแล้วน้ําเบามากเลยจะทํำยังไงใช่ไหมก็ต้องประเียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับเอถ้าใครเคยเลี้ยงลูก่ะมีลูกเคยเลี้ยงลูกนี่นะตอนที่มันยังเด็กอยู่เนี่ยเวลาที่เขาหลับไปแล้วเนี่ยหรือถ้ามันตื่นมามันจะงองแงนะใช่เวลาที่หลับไปแล้วเราไม่ไปปลุกเขา หนึ่ง好吗อยากให้ใมันหลับทั้งวันทั้งคืนด้วยซ้ำจะได้ไม่ต้องมองัวเราแต่ถ้าถ้าถ้าจิตเราสงบไปแล้วลมหายใจเบาไปแล้วเราไม่ต้องกลับไปหาลมหายใจอีกเหมือนกันเด็กดับไป เ, เด็กเด็กหลับไปแล้วไม่ต้องปลุกเขาให้เขาหลับสบายไปแตนะ่เพราะฉะนั้นถ้าลมหายใจเราหายไปแล้วระ ง, งับไปแล้วเนี่ยก็ดีแล้วนะไม่ใช่ว่ามันระ ง, งับแบบไม่มีจนเราจะตายอย่างนั้นไม่ใช่ใชเพียงแต่การรับรู้ของเราละเอียดมากมันก็จะรู้นิดๆอยู่ะ รู้แบบที่ไม่เป็นเส้นนาำบ้างกันเถอะเพราะฉะนั้นพุทธวจนะที่บอกว่าออลมหายใจก็ลมหายใจออกเนี่ยไม่มาเป็นเส้นน้ำต่อชานที่4ี่นี่ถูกนะถูกเพราะว่าลมหายใจไม่ใช่ว่าไม่มีลมหายใจเลยนะมีอยู่แต่น้อยมากรละเอียดใช่ไหมครับน้อยมากขนาดที่เรียกว่าไม่เป็นเส้ยนน้ำกับเราไม่เป็นเส้นน้ำในการที่จะทําให้เกิดรูปได้เพราะว่าถ้าคุณขึ้นไประดับของอรูปสัญญาสมาบัติใช่ไหมเป็นขั้นอรูปขึ้นไปแล้วเนี่ย ลมหายใจเนี่ยจะเรียกว่าดับไปเลยมันก็ไม่ถูกแต่มีน้อยมากบางกรเถอะมีน้อยมากจนกระทั่งเรียกว่าไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะรู้สิ่งที่เป็นอารูปขึ้นไ ป, ปรูปครับางั้นก็ง่ายๆอย่างนี้ยังมีอุปมาอุปไมยที่ควรจะนำมาใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันพุทธเจ้าพูดถึงการที่บุคคลเนี่ยเอาผ้าขาวคลุมตัวหมน คลุมตัวเนี่ยตั้งแต่หัวจนถเท้าเนีไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาเลยที่ผ้าขาวไม่ได้ถูกต้องแล้วไม่มีเนี่ยเปนการที่เราจะมีอุเบกขาอย่า ง, time, งานี้เป็นต้นนะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเราเลยที่ไม่ถูกต้องด้วยอุเบกขาเนี่ยไม่มีนะีหรือว่าจะมีความสุขนะีมีปีติมีสุขเนี่ยก็ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเราเลยทุกตั้งตัวที่ปีติสุขไม่ถูกต้องแล้วไม่มี นะเปรียบเทียบเหมือนกับในหนอ้องดอกบัวที่ยังจมอยู่ใต้น้ําอย่างเงี้ยอันน้าเลี้ยงไว้เนะี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งของอต้นบัวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรากลําต้นดอกมันใบมันเนี่ยที่น้ําเย็นไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ได้มีครับบางทีอะจะเป็นกรณีว่าขายังมีไม่มีความปีติสุขที่ขาในแต่ตัวมีอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมาธิที่ลึกซึง้งนะซึ่งเราก็จะค่อยๆทําไปให้มันละเอียดลึกซึ้งลงไปหรอก ก็อาศัยอะไรลมหายใจนี่แหละครับอย่างนี้พอ uh, พิจารณาลมหายใจไปเนี่ยอย่างการเจริญสมาธิสมาสมาธิเนี่ยจะเป็นลําดับไหมครับท่านว่าเริ่มจากขั้นหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับนั้นครับหมายความว่าถ้ามันจะกระโดดไ ป, ป, ปบุบบับบุบบับเนี่ยมันได้ ค, คือไม่จาเป็นต้องเป็นลําดับลําดับนะการเข้าสมาธิขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ก็เช่นเดียวกันกับทำอนาปานสติ นะไม่จําเป็นว่าจะต้องขั้นนี้ละขั้นนั้นพระชาเขาไม่ได้บอกตัวเลขเอาไว้ซึ่งบางคนถ้ามีความเชี่ยวชาญพุ่งคุณเข้าสีได้เลยก็ได้กลับมาสองก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่เชี่ยวชาญคุณต้องฝึกให้เชี่ยวชาญเสก่อนครับฝึกให้เชี่ยวชาญเสก่อนซึ่งการฝึกให้เชี่ยวชาญ น, นี้เราก็ต้องอาศัยการทําเป็นลําดับลําดับก่อนตอนแรกใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าในสมาธิเนี่ยเราจะมาบอกว่าโอ้อันนี้ชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นสองมันมันพูดไม่ได้หรอก เพราะว่ามันเป็นสภาวะที่เราไม่ใช่จะมานั่งพิจารณานะครับไม่ใหมใช่ครับก็การพิจารณาเห็นตรงนี้เนี่ยก็คือว่าออกจากระบบตรงนั้นแล้วนะเรามาใคร่ครนดูมีสติดูว่าเอาอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้ถึงจะค่อยมีเหตุผลได้ออครับืม ก็ดูว่าพระองค์ใช้อันไหนแล้วก็คิดว่าน่าจะมีสัดส่วนน้ําหนักอยู่กันเนาะปกติพระองค์ใช้อานาปานสติมากใช่ไหมครับก็เป็นเครื่องอยู่คําว่าเครื่องอยู่เนี่ยหมายความว่าอะไรเครื่องอยู่เนี่ยแปลว่าเหมือนกับเรามีบ้านเป็นที่อยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคุณออกจากบ้านหมวันวันหนึ่งก็มีไปตลาดบ้างก็มีนะไปที่ทํางานบ้างก็มีไปเยี่ยมเพื่อนต่างจังหวัดก็มีไปต่างประเทศก็มีไปเรียนต่อเมืองนอกก็มีแต่ทั้งหมดนี้ก็กลับมาบ้านเหมือนกัน ไปไปเดี๋ยวก็กลับมาการมีเครื่องอยู่ก็เหมือนคำว่าเวลาคุณไปทำอันนั้นทําอันนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ระมายใจเดี๋ยววก็กลับมาอยู่ระมายใจอย่างนี้เรียกว่าเรามีระมายใจเป็นเครื่องอยู่นั่นนะครับเครื่องอยู่ของจิตใช่แล้วจึงจึงเรียกว่าเป็นเครื่องอยู่ก็คือมีอะไรก็กลับมาที่นี่เป็นประจํำนึกอะไรทําอะไรไม่ออกก็อมาอยู่ระมายใจใช่ไหมตอนนี้ว่างๆอยู่ก็มาอยู่ระบายใจ หากินข้าวเสร็จแล้วก็มาอยู่ลมหายใจล้างจานอยู่ก็มาอยู่ลมหายใจอย่างเงี้ยไม่มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่วางันเถอยิ่งยิ่งเจริญบ่อยในชีวิตประจําวันเนี่ยถือว่ายิ่งดีใช่ไหมครับแมาว่าเราทำแล้เอ๊ะนึกพยายามนึกถึงลมหายใจบ่อยๆอืการมีสติเป็นสิ่งดีครับอการมีสติเป็นสิ่งดีเพราะนั้นมีสติได้ทั้งวันตลอดบันตลอดเวลานี่เป็นดีมาก ที่อาจมาบอกว่ามีลมหายใจเป็นเรื่องอยู่เนี่ยเอาแล้วเวลาที่ไม่อยู่กับลมหายใจนี่เป็นอะไรมีสติไหมตอนนั้นต้องมีสตินะมรุตพงศ์มีสติอย่างเช่นคุณมีสติในการคิดเรื่องนั้นมีสติในนิวร์ที่เกิดขึ้นมีสติในในความโกรธที่เกิดขึ้นมีสติในเรื่องที่คิดนั้นมีสติในการงานนั้นๆต้องมีสติตลอดเอาแล้วถ้าไม่ทําการงานนั้นๆแล้วทําอะไรก็อยู่กับลมหายใจแล้ถ้าไม่คิดเรื่องอื่นไม่มีสติไม่ได้คิดเรื่องอื่นล่ะยังไงก็ต้องมีสติล่ะ แล้วจะทำยังไรก็อยู่กับลหมหายใจอย่างนี้นะสตินี้ต้องมีร้อยเปอร์ซนนอนก็ต้องมีไปเข้าห้องน้ําก็ต้องมีแต่ลหมหายใจก็คือเวลาที่คุณไม่ได้คิดเรื่องอื่นเนี่ยมันก็อาจจะลหมหายใจจางไปแต่ไปมีสติอยู่อย่างอื่นแลนะพอเระลึกได้ก็มามีสติอยู่กับลหมหายใจอย่างนี้ดีก็ชัดเจนนะครับแล้วที่เรื่องของลหมหายใจเนี่ย S <S ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้ต้องการลมหายใจนะเ ร, เราต้องการจิ ต, ตเราต้องการสติเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้า<ๆ>ลมหายใจมันหายไปจางไปเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนั้นลมหายใจเนี่ยไม่ได้มีสาระอะไรที่เราจะต้องมาสนใจว่าเอ๊ะทำไมลมหายใจของฉันบางทีมันเป็นทีๆนานยาวๆอย่าเอาคําถามพวกนี้มาถามมาเลยไปถามหมอครับว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะตายไหมปลอดฉันเป็นจะไปถามหมอนุน แต่ถ้าถามพระก็ถามเรื่องว่าจิตจะมีสติไหมอันนี้ถามได้ครับอเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่นะมีลมหายใจไม่มีลมหายใจไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นจึงต้องดึงมาเรื่องนี้พุทโธไงมรดโ ท, ทแต่พุโทโธเนี่ยถ้าเราบอกว่าคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วคุณมีสติทําให้จิตของคุณเป็นสมาธิเอออันนี้ฟังเขาทาใช่ไหมใช่คร<ะ>ับเปลี่ยนตะขอให้เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ทีนี้อาการที่เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณจะระลึกด้วยอะไรอ่ะบางคนบอกว่าเห็นถามว่ามีมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรที่ทําให้คุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าบางคนบอกเห็นเจดีย์อ้าวฉันนึกถึงพระพุทธาบางคนบอกเห็นพระพุทธรูปฉันจะนึกถึงพระพุทธเจ้าบางคนบอกเห็นโคมไฟฉันก็หนึ่งพระพุทธเจ้าได้ บางคนบอกเห็นใบไม้มร่วงฉันก็นึกถึงพระเจ้าได้อันนั้นก็ดีใช่ไหมบางคนบอกฉันต้องใช้คําว่าชื่อพระพุทธเจ้าฉันถึงจะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมแล้วตามเื่เ อ, อชื่อรพรุทธามีอะไรก็พุทโธก็ได้เหมือนกันในอย่างที่บทสวดที่ว่าอิต so ok นะนะิปิโสภควาอารางสัมมาสัมพุทโธนะพุทโธเนี่พุทโธเพราะฉะนั้นก็ระลึกถึงพรุทธาคือจิตที่เราต้องการเนี่ยคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้า นึกออกปไม่ใช่ว่าเราต้องรู้ถึงพระเจ้าเพราะว่าความเป็นพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่นะแต่เพราะว่าเราต้องการให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าการระลึกถึงพระเจ้าเนี่ยราคะโทสะโมหะมันเข้าไม่ได้เพราะราคะโทสะโมหะมันเข้าไม่ได้ในจิตของเราก็เป็นสมาธิเราต้องการตัวนี้เราต้องการจิตที่เป็นสมาธิไม่ว่าคุณจะมีเราหมายใจไม่ว่าคุณจะมีการระลึกถึงพระเจ้าหรือว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นกสินไปทําอะไรก็แล้วแต่เธอ จิตที่เราต้องการคือจิตที่เป็นสมาธิครับอ่าจิตที่มีสติมีสมาธิแล้วเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่มีสติสัมปชัญญะเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้เราต้องการจิตแบบนี้ครับอ่าเหมือนเวลาเรากล่อมลูกเราต้องให้หลับใช่ไหมเพราะมันหลับแล้วเราไม่ปลุกหลับท่าไหนเอามันท่านนั้นอใช่ครั บ, บอยู่บนไหลยแล้วก็นอนอยู่บนไหล่ตลอดัแหละอย่างนี้นะ ก็เอาเอาให้มันเวิร์กแหะบางทีต้องพาลูกเดินบางทีต้องอุ้มไว้บางทีให้นอนคว่ำบางทีให้นอนหงายอันไหนเวิร์กเอาอันนั้นครับอ่าที่ตบก้นใช่ตบก้นบางทีเกาขาครับอ่าบางทีอนิธานเอาหมดอันไหนจะให้เวิร์กได้ให้จิตเราสงบได้เอาอันนั้นครับนี้ตามหลักศีลสมาธิปัญญาครอ่าศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นจิตเราต้องเป็นสมาธิโดยอาศัยการที่มีมีความไม่ร้อนใจปฏิบัติตามศีล เพราเรื่องการมรรควิธีการภาวนาเนี่ยมันก็ก็แล้วแต่คนฝึกมาแล้วถ้าทุกอย่างทําให้จิตของเราเป็นสมาธิได้เราก็เอาอันนั้นแหละเนี่ยเป็นกา ร, รดีรเหมือนที่ผู้ปฏิบัติทั่วไปมักพูดกันว่าจริตแบบไหนก็ให้ทําแบบนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับคือการเรื่องของจริตเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับมรรควิธีนะมอนตะพงค์ครั ม, มันเป็นยังไงครับนะเอ่อมรรควิธีก็คือก็คือยังไงก็ต้องตามบริมรรคมีองศาใช่ครับ ยังไงก็ต้องอยู่ในอริยามรรคมีองค์แถ้าอยู่ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาไม่มีปัญหานะตามอริยามรรคมีองค์แได้แต่เรื่องของจริตเนี่ยหมายถึงการที่คนเนี่ยจะนิสัยยังไงนะเรื่องของอาสวะนิสัยยังไงเท่านั้นเองนิสัยยังไงแล้วเกี่ยวกับลักษณะการภาวนาไหมเอาถ้าการภาวนา ม, มัาาการรานมก็อยู่ในอริยามรรคมีองค์แอยู่แล้วอะ่ะ <Yeah. S 1> มันก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะจริตแบบไหน มาะอะไรกันยังไงเนี่ยอธรมาก็มองแค่ว่าถ้ามันอยู่ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะเราก็ต้องเอายังไงจิตคุณก็ต้องสงบมันไม่มีทางหนีไปจากอย่างนี้ใช่ครับอยังไงคุณก็ต้องปล่อยวางให้ได้มันก็เรื่องของปัญญามันก็ไม่มีทางหนีไปจากนี้ยังไงจิตคุณก็จะต้องอากายวาจาใจคุณก็ต้องเป็นคนมีศีลมันก็ไม่หนีไปจากนี้เป็นเรื่องวิธีการเนี่ยถ้าเราเป็นคู่ผู้ขวนขวายทําความเพียรอยู่เรื่อยๆนะยังไงมันก็ต้องเจอใช่ครับก็คิดว่าอย่างนี้ คุณจะเอาอาการระลึกถึงพระรุ่เจ้าเอาเรื่องของการพิจารณาความตายการเขาเรียกว่าผ่ากายเอาเป็นส่วนๆใช่ไหมหรือว่าเอหรือว่าจะเอาอนาปาณสติเอามันสักวิธีหนึ่งครับทําให้จริงประเด็นคือหมอและวงคนมันทําให้จริงทําไม่จริงนะทําเล่นๆเล่นๆทํำย่อๆแย่ๆปวดขานิดหนึ่งก็เลิกพออละวทำสิบนาทีละวงนอนละไปนอนก่อนกัอ บาคบอกว่ า, อาโอ้ยทำอย่างนี้สิถึงดีเราก็ไปตามทำอย่างนั้นสิดีเราก็ไปตามนะถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจดึงไปดึงไปครับนะถึงต้องบอกว่าคุณมีศรัทธากับใครคุณไปหาคนนั้นครับอ่าคุณมั่นใจในใครคุณไปถามคนนั้นนะแล้วคุณก็ก็ทำตามที่คุณมีความมั่นใจทำให้จริงทำให้แน่ใจทำให้มีศรัทธานะอย่าทยาะเหยาะแย่แย่ ทำแบบมีมมควาเล่เยๆอ่า <Okay. S 1> มันก็จะไม่ได้เรื่องครับอามันใักวิธีหนึ่งก็แล้วกันนะที่มันจะเวิร์กอ่าที่มันจะทําให้เราจิตเป็นสมาธิได้อย่างนี้นะครับชัดเจนครับสอ <c oughs> คืออาจมาคิดว่าการที่เรามาศึกษาพุทธวจนะแล้วเนี่ยจะทําให้จิตของเราเนี่ยเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นครับเพราะมัฟวิธีหลากหลายนะครับมัฟวิธีหลากหลายถ้าให้เราเห็นแต่ความสอดคล้อง ของธรรมะหมวดต่างๆนะไม่มีสตใจครับแค่ในการที่ว่าจะต้องเป็นวิธีนั้นวิธีนี้ทั้งนั้นก็ถ้าอันไหนมันศีลสมาธิปัญญาทําให้จิตเป็นสติมีสมาธิได้อันนั้นก็เวิร์กเหมือนกันใครนะแล้วก็ถ้ามันไม่ลงกันได้ด้วยบทเพียรชนะอย่างน้อยก็ลงกันได้ด้วยอัฏฐะใช่ไหมเรื่องของการที่จะสื่ต่อความอายุยืนของศาสนาได้เรื่องของบทเพียรชนะก็มีความสําคัญใครมีความสามารถคุณธรรมนะใครมีความสามารถคุณธรรมในเรื่องการที่จะํารง อโหดเพืชนะได้แต่เรื่องของอัถากุณต้องรักษาไว้ละในเรื่องของสีสมาธิปัญญาก็ไม่หลุดไปจากนี้ก็แล้วกันครับมไม่ทราบพอจะมีเวลาตอบคําถามที่ค้างจากข่าก่อนไหมครับข้าพมีคําถามเล้วเอาเลยเอาเลยครับคือคุณกระหนกรัฐเนี่ยอถามมาไว้ว่าอยากจะทราบเรื่องของขันห้าในส่วนของธรรมวิญญาณนะครับเ อ, อคื อ, อท่านบอกว่าจะปล่อยวางวิญญาณได้อย่างไร เพราะว่าเหมือนว่าตัวรูปตัวเวทนาเนี่ยปล่อยวางได้ง่ายแต่ว่าวิญญาณเนี่ยกับท่านยั ง, ย, งยังมีปัญหาว่าจะวิธีการอย่างไรนะครับการจะปล่อยวางวิญญาณได้ก็เหมือนกับรูปกับเวทนานแต่ละวิธีเดียวกันก็เห็นเพราะว่าโดยไม่ใช่ของตัวของตนแต่ที่เรายังปล่อยวางเขาไม่ได้เพราะเรายังไม่เจอเขายัางเวทนาคุณปล่อยวางได้ใช่ไมคุณรู้สึกเวทนานี่รูปใช่ไหมคุณเห็นรูปนี่คุณก็ปล่อยวางได้ ถ้าคนได้รับการฝึกแต่จิตคุณจะจับยังไงอะจิตมองไม่เห็นวิญญาณนะ่ะอย่างสมมุติเราเรามองคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าหน้าคนอื่นเป็นยังไงใช่ไหมแ ต, แต่การที่เราจะมาองเห็นตากตัวเองเนี่ยเห็นตาตัวเองเห็นจมูกตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นนะถึงบอกว่าเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนอย่างเงี้เหมือนเห็นคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่งอย่างงี้นั่นแหะคือสติที่เราจะต้องจับไงคนที่จะเข้าไปรู้ลมหายใจคุณรู้ว่ามีคนที่มารู้ลมหายใจอยู่ อาการที่ไปรู้ลมหายใจนั่นแหะคือวิญญาณบางทีว่าลมหายใจเป็นของเราเอาบางคนบอกว่าเออฉันวางได้นแหละลมหายใจไม่ใช่ของฉันดีแล้วนะคุณเห็นหรือเปล่าว่าผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจนั้นมันอีกคนหนึ่งนะเป็นวิญญาณเราต้องจับตรงนี้ให้ได้เหมือนกับแสงสว่างเราคิดว่าแสงสว่างกับหลอดไฟเป็นอันเดียวกันไม่ใช่นะหลอดไฟก็หลอดไฟแสง ส, งสว่างก็แสงสว่างแสงสว่างมาถึงหนังสือเนี่ยทำให้เราเห็นหนังสือเนี่ยเราคิดว่าหนังสือเนี่ย เป็นแสงแสงเกิดที่หนังสือไม่ใช่นะอแสงก็แสงหนังสือก็หนังสือหลอดไฟก็หลอดไฟคนละอันคนละอันกันหมดทั้งสามันเกี่ยวโยงกันไม่ถึงมันคนละอันกันน่ะเกี่ยวโยงกันไหมก็คงจะเกี่ยวโยงกันี่มันเกี่ยวโยงกันได้ยังไงมันมันเราต้องจับมาแยกอ่ะมันเพื่อที่จะนั่นแหละคือจุบส่งการภาวนาโอที่จะมองเห็นเห็นเห็นใช่ครับเห็นต้นตอของตัวมันใช่ป่ะแล้วพอเราเห็นต้นตอของตัวมันเราบอกไอ้นี่ไม่ใช่ของเรา คุณจะถึงจะปล่อยวิญญาณของเราได้ปล่อยวางวิญญาณได้อืมคือสมมติว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันอันนี้ทางปฏิบัติใช่ไหมโอ้โหง่ายที่สุดในโลกเลยมาด้วเราเอาตะขอเราเอาลมหายใจครับลมหายใจนั่นแหละเอาลมหายใจอย่างเดียวครับใช่ไหมลมหายใจเกิดมีความรู้สึกปวดหัวทํายังไงเอาลมหายใจเกิดเห็นแสงทํางไงเอาลมหายใจมันเหมือนกับตกเหวเลยนะทำยังไงเอาลมหายใจ เอา้ามันเหมือนกับว่าโอ้เหมือนลอยอยู่ในกาลอากาศแล้ตัวลอยขึ้นทำไงเอาร่มหายใจเฮ้ยคอยเอียงๆทำยังไงเอาล่มหายใจโอ้มันแบบว่าจิตไม่สงบแล้วอะไรเอาลมหายใจอ ย, อ, ยยอย่ า, ง เ, ายงเดียวเล ย, ยเอย่างเดียวเลยเพราะ อ, อะไรเพราะลมหายใจมันเป็นตะของไงมันลิงก์ไปหมดมันจะไปจักยรยานครับก็ได้มันจะไปจิตสงบก็ได้จิตสมาธิก็ได้เห็นเกิดดับก็ได้ปล่อยว่างก็ได้ลมสั้นก็ได้ลมยาวก็ได้ลมหายใจหมดเลยครัหนึ่งเดียวเลยใช่ ประเด็นคือเราต้องเอาหลักหลักหนึ่งครับเหมือนเป็นเสาเขื่อนเสาหลักเอาลมหมยใจเนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตของเราครับอืมครับมีคําถามข้อต่อมาก็คือว่าอคุณคุณขนงครัชเนี่ยต้องการทราบเรื่องของนรกและสวรรคร์นรกสวรรค์ครับในส่วนของพุทธวจนะมีกล่าวเรื่องนี้ว่ายอย่างไรบ้างครับอ๋อมีมีพูดถึงนรกว่าเป็นสีมุมสีประตูล้วนไปแล้วด้วยเหล็ก มีไฟพุ่งขึ้นจากด้านล่างด้านบนฝาด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะเป็นไปนหมดแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบเป็นแบบอ่าเป็นหม้อหม้อให้ลงคนลงไปต้มต้มนะมีของร้อนๆ้อนอยู่อันนี้ก็มีนี่ในยะหนึ่งคนที่สามารถตรวจสอบได้เขาจะตรวจสอบได้เออเราถามว่าเออถ้าเราตรวจสอบไม่ได้เราทำยังไงคุณมีเครื่องรู้ไหมล่ะว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่ในสังสารวัต t ี้จริงจริง<ๆ>ถ้าไม่รู้ใช่ไหมยังตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมยกไปก่อน นะถ้าตรวจสอบได้ค่อยรู้ก็ได้แล้วทีนี้ถ้าตรวจสอบไม่ได้ยังไงแล้วทํำยังไงเราถึงจะตรวจสอบได้ก็มีนรกอีกแบบหนึ่งสวรรค์อีกแบบหนึ่งที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั่นก็คือว่าสวรรค์ทางอายตนะนรกทางอายตนะหมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยของเราเนี่ยเจอแต่เรื่องที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจนั่นคือนรก <c oughs> กับบ้านก็ทะเลาะกับเมียทะเลาะกับผัวทะเลาะกับลูก อยู่ระหว่างบนรถจะไปที่ทำงานก็มีคนปรกขับปาดหน้าไฟแดงรถติดไปถึงที่ทำงานแล้วเห็นหน้านี่ก็ไม่พอใจหูหน้าก็ด่าทำงานก็ไม่ได้เรื่องลูกน้องก็หนีลูกค้าก็ด่าอีกอเจอแต่สิ่งที่ ไ, ไม่น่าพอใจตลอดเลยนี่คือนรกครับแต่สวรรค์เป็นยังไงตาหูจ ม, มูกลิ้นกาใจก็เจอแต่สิ่งที่น่ารักน่าเพลินใจนะอยู่บ้านก็มีความรักใคร่กับพี่น้อง พ่อแม่ก็รักกันลูกก็มีความสามาัคคีเรียนเก่งด้วยไปที่ทำงานฉันก็นั่งไปสบายๆมีคนขับให้รถไม่ติดใช่ไหมมีแอร์เยน็นฉ่าไปถึงที่ทำงานแล้วที่ทำงานบรรยากาศก็เป็นที่ที่น่าทำงานเพื่อนร่วมงานก็ดีลูกค้าก็เยี่ยมนะเจ้านายก็รักเป็นอย่างนี้นี่คือสวรรค์ที่เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจ เรื่องในโลกสวรรค์นเนี่ยพระเจ้าไม่ได้พูดถึงนะถ้าเผื่อไม่มีคนมายืนยันให้ให้พระเจ้าทราบก่อนนีพระโมคคันนาเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าตัวเองเห็นเปรตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นคือไม่ได้ชื่อว่าเปรตหรอกแต่เห็นสัตว์ลักษณะนี้พระเจ้าก็เลยบัญญัติขึ้นมาว่าเออดีแล้วโมคคันนาที่เธอพูดถึงเราก็เห็นเหมือนกันแต่เราไม่ได้พูดเพราะว่ากลัวไม่มีคนมายืนยันคําพูดของเรานะก็จึงบอกว่าอันนี้คือเปรตประเภทนี้อธิบายว่าน หมาคณะขึ้นไปบนสวรรค์โอ้สวรรค์เป็นอย่างนี้ไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นสวรรค์แต่เจอพบภูมิหนึ่งที่เป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรมาเล่าให้ผู้ชายฟังผู้ชายก็รับรองคําพูดของมาหมาคณะแล้วก็บรรยากออกไปอีกโดยพิสดารโดยละเอียดว่าอ๋อสวรรค์นี่เป็นอย่างนี้มีขั้นอย่างนี้คนทํากรรมมา่งนถึงได้กันนี่หัวหน้าเขาเป็นอย่างนี้เขามีเพื่อนอย่างนี้เขามีการแต่งตัวอย่างนี้บอกมาหมดอย่างนี้นรกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าถ้าธรรมาบอกว่าเออนรกเป็นอย่างนี้สวร เราถึง <Yeah. S 1> ต้องบอกว่ามันคนได้ก็มีนะหมอรนพงศ์ครับแต่วันนั้นถ้าเขามีเครื่องตรวจสอบ <laughs> เขาจะสามารถตรวจสอบได้ครับ <Yeah. S 1> อืมเอ่อแล้วก็การที่เขาจะตรวจสอบเนี่ยก็ต้องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งหลักการนี้ก็มีง่ายๆเราพบเจอกันได้ทุกวันครับใช่คับางวันอากาศ <Yeah. S 1> ดีๆสบายๆอย่างเงี้ยเราก็เจอสวรรค์ครับ <Yeah. Yeah. S 1> กลับบ้านไปคนที่บ้านไม่รักกันไม่สามัคคีกันเราก็เจอนรก อย่างเงี้ยนะไปเจอลูกค้าดีๆเขาซื้อกองเราเราก็จะสวรรค์อย่างเงี้ยที่เรียกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นอเยตนะสวรรค์กับ น, นรกทางอเยตนะอืมอ่าอันนี่คือคําถามที่ที่ตอบเรื่องของนรกสวรรค์ใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นถามว่าพระอรหันต์เนี่ยสิ้นกรรมแล้วหลุดพ้นจากนรกสวรรค์ไอ้มันเป็นยังไงใช่ไหมกรรมเก่านี่คืออะไรหมอรัตตพงศ์แหมเรื่องนี้นะพูดแล้วมันจะยาวเว้ย เอาไว้พูดเขาหน้าดีกว่าเขาหน้าครั บ, รบว่ากรรมเก่าเนี่ยที่บอกว่าการที่จะเขาเรียกว่าอะไรจิตที่จะความที่เรามารู้สึกต่ออารมณ์ได้นนะ เ, เนี่ยนะคือกรรมเก่าเพราะฉะนั้นพระหลานเนี่ยสิ้นกรรมทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่ก็ไม่ทราบสิ้นยังไงจะอธิบายให้ทราบแล้วรวมใจมันเกี่ยวอะไรเราจะรู้กันต่อตอนหน้าตอนที่เอพิโซดที่34มครับใครรู้สึกว่าวันนี้มันเร็วไปหน่อยนะครรับฟังซ้ําก็ได้นะเอพิโซดที่สามสิบสาม เพราะฉะนั้นในเอพิโซดที่33นี้ก็จะได้จบลงด้วยการที่เราพูดถึงเรื่องของอะไรบ้างหนวงพ่องเรื่องของพุโทโธเรื่องของอนาปนาัฏสติสแบบละเอียดใช่ไหมตะขอเราเปรบเทียบกับตะขอเราเปรียบเทียบกับพูดถึงอินทรีย์จิตสติวิมุตตินะเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็มาตอบคาถามของคุณกระดกกรดั๊เรื่องเกี่ยวกับ อ, อะไรนาะ วิญญาณในขันห้าวิญญาณก็เเลยกของนรกสวรรค์ขันห้าแล้วก็นรกสวรรค์ก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ส่งมาได้ที่เพียวธร m มะคอมนะครับเรื่องนี้ใครยังไม่เคลียร์ให้ถามมาเลยเพียวธ m a ม o m อมให้ไปโพสต์ไว้ในในโพสต์ของอปพิสอดที่สามสิบสามเจะนำมาตอบในอีพิสอดที่สามสิบสี่หน้าก็เจ็ คราวหน้าก็จะมีเรื่องของเรื่องกรรมกรรมเก่านะครับครัตอนที่ 3.4 เราจะพูดถึงเรื่องของกรรมเก่าแล้วก็การสิ้นกรรมแล้วมันเกี่ยวกังลมหายใจอย่างไ ร, ร, รมักอย่างไรเราจะมาคุยกันเอาละงั้นก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปแก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรแล้วก็เจริญทางทางลกและทางธรรมใช่ใช่สาธุสาธครั บ, รบต้อง กราบขอบพระคุณพระอาจายรย์ไพรบุญอภิพุนง น, นะครับกรานรบนาสการกราบ